ธรานก็นะห้เป็นในควาส่วนประกอบนะเป็นตัวชี้นำนะในการปฏิบัติของเรานะเหมือนเป็นฟังธรมเหมือนเป็นแผนที่นะแผนทีเ่เราจะเดินทางไปไหนก็ดูแผนที่ไว้สักหน่อย ถ้าไม่รู้แผนที่ไม่รู้ทิศทางก็มันก็มันก็หลงทางเนานะมันก็จะลำบากเดินช้าเสียเวลาแต่ถ้าดูจากแผนที่นะไม่ยอมเดินทางมันก็ไม่ถึงเหมือนกันนะการฟังธรรมการอ่านหนังสือนะเหมือนเราศึกษาแผนที่ศึกษาเส้นทางแต่ศึกษาข้อมูลต่างๆนะแต่มัน มันก็ไม่ค่อยถึงนะมันไม่ถึงนอกจากว่าเราทำในใจไปด้วยนะทำในใจนยะไม่ใช่คิดตามนะทำในใจที่เห็นสภาวะต่งางๆตามที่เราได้ฟั ง, ต า, าฟงตามที่เราได้อ่านมันเป็นแบบไหนถ้าทำในใจแบบนี้นะมันถึงจะเกิดมันเหมือนกิดการเดินทางภายในใจ่องเราเลย สมัยก่อนทำไมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีคนที่บรรลุธรรมตามขณะที่พระเจ้าแสดงธรรมได้ทันทนะีเพราะว่าคือเขาไม่ได้ว่าพระเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ต้องมานั่งยกมือหรือว่าต้องมาเดินจนกรมอแบบนี้น ะ, ะเขาก็ทําในใจนะถ้าลึกตามคําสอนที่พระเจ้าผู้สอนไว้เมื่อเราสวดมนต์เลนะ ส็คือธรรมะข้างนั้นไงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ขณะที่ฟังแล้วก็อืมเห็นไปพร้อมไม่ใช่ส่วนเฉยๆนะมันไม่เที่ยงไหนนะเออเห็นไหมไม่เที่ยงมันมีความเป็นทุกข์นะ มันไม่ใค่ตัวตนนะแล้วก็นํานําจิตนําใจไปประมาณนั้นให้เราเห็นเออสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะสิ่งที่มันเป็นทุกข์ควรนะที่เราจะไปคิดมั่นหรือมั่นนะอะไรที่มังเป็นทุกข์นะเราควรจะเลยึดนั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราไหมนะถ้าเราไปยึดสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขจริงๆได้ อย่างไรล่ะใช่ไหมมันก็เป็นสุขจริงๆไม่ได้นะใช่ไมืมถ้าเราไปยึดจิตที่มันเป็นทุกขนะ์ให้มันเป็นสุขมันก็เป็นไม่ได้ <c oughs> แต่เรา ก, ก็ยังมันก็ยังมักหลงไปยึดนะตามความเคยชินนะตามความเคยชินนั้นเราก็ฟังไว้ให้เป็นแนวทางนะในการปฏิบัตินะ ให้มีความมั่นใจว่าแม้แต่สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างจะมาเองตอนเห็นวิธีการยกมือสร้างจังหวะแบบนี้นะก็สงสัยสงสัยว่ามันเมืองไทยมีวิธีปฏิบัติแบบนี้ได้หร อ, อ, อทำไปมันคย ใ, ใช้ ม, มันถูกทางหรือเปล่ามาสงสัยว่ามันมันไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ความค้นพบจริงๆไม่วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือเปล่าเลยทำให้แตกเลยนะก็สงสัยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถามคนอื่นก็เนี่ยมาอ่านข้อสูตรเนี่ยน ะ, นะมหาจศรษฐประธานสูตรที่เราสวดมนต์พู่เนี่ยนะไป ห, หาก็จะดีต่อเลยนะ ก็จะดีดออกก็ต้เปิดอ่านดูว่าเออเขาว่าอุบนะาจาันย์ว่านี่คือฟาเจอสตินะอยู่ในมหาปฏิปฐนะานนโซนแล้วก็ไปเปิดมหาปฏิปฐานสูงก็เหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี่แหละก็อ่านไปดูให้ดูว่าอ๋อที่ท่านให้ยกมือ เคื่อมือก็คือสี่ที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัเพ็ญที่เราสวนเนี่ยคือฟูแขนเข้าเหยียดแขนออกมีความรู้สึกตัวเดินไปข้างหน้าเดินถอยข้างหลังให้รู้สึกตัวกินม่งพูดคิดอะไรต่างตาก็ให้รู้สึกตัวนุ่งสมองสมจีวรสมผ้าสังคาร นุ่มนุ่มจีวรส่งค่าสังกัดติให้รู้สึกตัวเออที่จริงมันก็มันก็คือเรื่องที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวแต่ก่อนเราคิดว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องก็ต้องนั่งนิ่งๆนะหรือว่าต้องดูอะไรที่มันละเอียดกว่านั้นแต่จริงพระ่าติให้เราเห็นว่าที่จริง ถ้าเป็นโยมนะถ้าพุทธเจ้าสอโยมก็คงจะบอกว่านุ่งเสื้อ น, นุ่งกางเกงอะไรก็ให้รู้สึกตัวอะไรแบนั้นนี่คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะกิดนดื่งพูดคิดอะไรก็มันมีเยอะนะให้รู้สึกตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ ท, ที่เรามองข้ามความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่ละเราเพียงแค่ ได้ว่าเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในการกระทําต่างๆ น, ะนีีนักที่เราทำจริงๆนะงเราเคลื่อนไหวด่างกายนะเพื่อปลุกให้มันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะไม่ใช่เคลื่อนไหวฟรีๆปนฏะิบูรบายอาจารย์ท่านถามนะกินข้าวฟรีหรือเปล่านะนอนฟรีหรือเปล่า เดินฟีฟีหรือเปล่านะฟรีก็คือก็คือมีแต่ร่างกายมันทำนะแต่จิตใจเนี่ยมันไปอยู่ไหนไม่รู้ใช่เช่นเดินนะกายเดินเนี่ยใจไปอยู่ตามเสื้อผ้าตามผู้คนไปไกลเลยนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกฟรีกินข้าว เราก็เคี้ยวไปสัตว์จะว่ากินไปนะใจใจก็ไปคิดเรื่องปูนแต่งอะไรก็ไม่รู้นะแสดงนะก็กินฟรีๆนอนก็นอนฟรีๆด้วยนอนแล้วก็หาเรื่องไปคิดหาเรื่องคิดนั่นคิดนี่นะบางทีก็คิดดีบางทีกคิดไม่ดีนะคิดวางแผนคิดทบเทวนิดไอะไรก็ได้ว่านอนฟรีๆแต่ที่จริง มันก็จะฝึกแบบนี้นะเราห้ามความคิดไม่ได้หรอกนะเอมันเดินไปกินมันจะหลงไปดนะูนอนไปกินจะหาเรื่องไปคิดอนะกินข้าวไปก็หลงไปคิดอีกแล้วเนะี้ยเราห้ามความคิดไม่ได้นะแต่การปฏิบัติธรรมนะนะอย่างที่บอกว่าเราทำอะไรก็ให้เรามีสติมีความรู้ลึกได้มีความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหว แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะรู้ความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเนะ่อย่างที่บอกว่าความคิดมันห้ามไม่ได้นั้นะเราก็เพียงแค่รู้เท่าทันมันเนะีแยเวลงเจอสติเนะเราจะเห็นสองสิ่งสลับกันนะแล้วแต่ว่าสิ่งใดมันเด่นสติเขาจะเข้าไปรู้สิ่งตรง น, นั้น อย่างเราเคลื่อนไหวนยกมือเคลื่อนไหวนเขาเรียกว่าเป็นกายานุปนัฏฐานสติปถานะสติไปในกายนะแต่บางครั้งมันความคิดเกิดขึ้นมาปุ๊บความคิดเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งปรุงแต่งละนะเป็นอาการของจิตนะมันคิดขึ้นมาปุ๊บนะรู้ทันว่าจิตมันคิด อันนี้เรียกว่าเราฝึกจิตตาทุกปัตนาปฏิปัธฐานะหรือนั่งไปแล้วสงบสงบแล้วเป็นความสุขขึ้นมาในใจเน่เห็นว่ามันสมบเห็นว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นในใจอนนี้เรารู้ทันเวทนาทุกปัตนาสฏิปัฏฐานะหรือนั่งไปแล้วสงสัยเครียดเป็นทุกข์นีเ น, นีก็เห็นละ เป็นเวทนาด้วยเป็นจิตตาด้วยนะหรือปฏิบัติไปแล้วม่วงนอนนะม่วงนอนมากกนะายก็ม่วงนอนใจก็เป็นทุกข์เพราะความม่วงนอนเป็นธรรมานุปัสสนาติปปฐานนะไม่ใช่ม่วงนอนนี่ไม่ใช่ของไม่ดีนะนะม่วงนอนเขาก็แสดงธรรมานุโลมย์อนยะ่านธรรมานุสัต ก็คืออะไรอาการที่มันเกิดร่วมกันของกายของใจนะกายก็ง่วม่วมึนเบอร์เบอร์ใจก็ไม่ตื่นไม่เบิดบานถ้าเราเห็นมันนะเห็นอาการของกายเป็นแบบนี้ใช่แบบนี้เราได้รู้ทามานี่ปรัฒนาปฏิปท า, านนะนะดันั้นที่จริงเจะเดินสติจริงๆมันไม่ใช่เหมือนขั้นว่า เราต้องฝึกรู้แต่งกายตลอดเป็นกี่เดือนกี่ปีอะไรก่อนแล้วค่อยมาฝึกเวทนาฝึกจิตตาฝึกธรรมานะคือแต่ก่อนอนาะจารย์มาฝึกไปเคยเรียนแบบอานาปา น, น, นัสนตะิแบบสิบหกขั้นตามที่ทํามสวนโมกข์เขาจะสอนกันประมาณนั้นก็คงก็คง ม, ม, มีในขระสูตร อ, อานาปานสติเหมือนกันนั่นแหละ แต่เริงแต่ว่าความซื่อความไม่เข้าใจของเราเองเราคิดว่ามันเหมือนบันไดสิหกขั้นต้องไปทีละขั้นต้องขึ้นทีละขั้นทีละขั้น <c oughs> ข้ามขั้นไม่ได้นะกระโดดไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นแ บ, บนั้นนะก็ทาไปทีละขั้นแต่ที่จริงไม่ใช่มาสอนไม่ถูกนะแต่ที่จริงมันมันเป็นการรู้ที่แยกกันเฉย มันไม่ใช่ติดมันไม่ใช่บันไายติดหกขั้นนะครัแต่จริงเหมือนมันมีธรรมะมันมีสิ่งที่มันให้ดูได้ถ้ากับแน่ก็คือติดหกอย่างนะกายสี่ยางเวทนาสี่อยางกิจสี่ยางธรรมอารมณ์สี่อย่างซึงงงง่งแยกให้ดูว่ามันมีประมาณแบบนี้นะสิบหกช่องสิบหกอย่างดูตรงไหนก็ได้ <c oughs> ดูตรงไหนก็ได้ที่จริงนะทีจริงๆแบบนั้นจริง เราถนัดดูตรงไหนก็ได้แต่ดูให้เห็นไตละของมันเนี่ยสําคัญอยู่ตรงนี้นะเราอาจไม่จําเป็นต้องไปรู้ต้องไปเฉลียรู้มันไม่เหมือนบทเรียนที่เราเหมือนมีบทเรียน16บทแล้วเราต้องเรียนทุกบทเลยให้มันละเอียดที่จริงไม่จําเป็นนะแค่ศึกษา ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าสอสามอย่างก็ได้ศึกษาให้มันจริงๆ้งเห็นความจริงของมันคือมันมีความไม่เที่ยงมีความปินทุบมีความไม่ใช่มมตัวตนแบบไหนนี่ก็เข้าใจได้แล้วนะจริงๆนะอย่างสมัยพุทธกาลนะมีพระรูปหนึ่งท่านชื่อท่านจุลปันทก ท่านก็บวชตามพี่ชายท่านพี่ชายท่านที่มหาปัญโฐนะพี่ชายท่านก็บวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์เป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนอท่านมหาปัญโฐก็พยายามสอนน้องให้ใหคล้ายฝึก ง, ง่ายๆก่อนให้ฝึกเหมือนคล้ายท่องบทสวนมนสั้นๆ น, นะแค่ทีบทท่องเป็นตั้งลหลายเดือนนะ ท่านจุลนภรณ์ถกก็ท่องไม่ได้พอท่องไม่ได้ก็เกิดความท้อใจพี่ชายเองก็ผมคิดว่าน้องผมไม่มีวาสนานะเออก็อุตส่าห์ให้มาบวชแล้วแต่ท่องบนทบ่นต้นๆเองก็ยังท่องไม่ได้ผมไม่ใช่ว่าเหนื่อยหรอกมัแต่ผมคิดว่าน้องผงไม่มีวาสนาอืมท่านจุลนภรณ์ ก, ก็ท้อใจเหมือนกัน ท่องแค่นี้ก็ท่องไม่ได้นะก็เลยคิดจัดจัดซื้อกันกนะ็คิดจัดจัดซื้อก็อไปบอกพ่อพี่ชายท่านก็ไม่ว่าอะไรคนอื่นก็คงดูๆเหมือนกันนะคนนี้เหมือนถ้าเปลี่ยนเหมือนเป็นนักเรียนก็ดูย น, นักเรียนที่เหมือนไม่คล้ายๆไม่ฉลาดอย่างนี้ครับอไม่เป็นไร ขอปเป็นคารวาเราก็ได้ประมาณนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าพอท่านทราบนะว่าท่านจุลนททอยากจะศึกนะแต่พุะเสดจองค์ท่านรู้ว่าคนคนนี้ก็ยังพอมีพิธีสอนได้นะพระเจ้าก็เสเด็จเป็นาแล้วก็บอกบอกอุบายยืนผ้าขาวให้ผื่นนึงแล้วก็ให้ให้ท่า น, นใช้ ไม่ต้องท่องสี่บทท่อง่ายนะบอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าผ้าอื่นนี้ข่าวหนอนะเมื่อมาถูกค้อบกับกายเราแล้วก็เข้าหองอยไปก็ประมาณแค่ น, นี้นะก็ให้ท่านจุลปันโทก็ถือผ้าข่าวนี้แล้วก็เหมาือนรูปผ้าเลยนะทั้งคืนนะ ท, ท่านก็เพราะูบาอาจารย์ท่าสอนอเอาแค่สอง คล้ายๆเหมือนสองประโยชน์ง่ายๆเนะาะผ้าคืนนี้นเช้าน้อนุ่งถุง ก, ก็กำกายแล้วก็คันไปนะท่านก็ผ่านไปนะเขาท่านก็จำได้ท่านก็ลุกไปบริกา ร, รไปลุกไปบริกา ร, รไปพอตอนเช้านะคล้ายๆอยาจจะเวลาประมาณนี้นะั่นแหลพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแต่เงินแสกทองมองเห็นนะมองเห็นผ้าพอท่านมาเห็นผ้า มันเป็นจริงเหแบบนั้นจริงว่าผ้าที่ก่อนก่อนหัวขั่น ม, มันขาวพอรูปไปทั้งคืนมันก็หมองครั่นนะถ้าเห็นนั้นจิตท่านตื่นคือพอเห็นผ้าปแบบนั้นมันก็เห็นใจเหมือนกันว่าที่จริงใจแต่ก่อนมันขาวใจมันสะอาดเมื่อมันถูกเนะ่การรูปคั่มก็เหมือนกับกีเลครับ แต่เพื่อนเข้ามามันก็เลยหวงคำท่านเห็นว่าที่จริงใจเดิมแท้มันปกติมันจะหักมนบรศสุทธิ์ไอสีที่มันสกรปรกมันเป็นกิเลสต่างๆมันจรเข้ามาทีหลังเคลแบบนี้นักเป็นพระอาหารหันเลย <c oughs> <c oughs> เป็นพระอาหารหันที่มีมีมีมอภิญญาหลายๆอย่างดนะ้วยคือ ท่านก็ไม่ได้ต้องศึกษาอะไรมากไม่ต้องไปดูกายอะไรเลยก็ได้นะคือเห็นตรงมาถึงที่จิตเลยก็ได้อันนี้เป็นการศึกษาแบบบางทีการเรียนมันมีหลายวิธีการที่จะทําให้เราก็ถึงธรรมะแต่จริงเราต้องสังเกตดูนะอย่างตอนเนี้ยเรามีความทุกข์อะไรในใจไหม <c oughs> ตอนนี้ไม่มีนะใช่ไหมมันความทุกข์มันเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเราไปปรุงแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไปยึดมั่นถรือมั่นไปอยากให้มันอย่างที่เราปรุงแต่งอนะ่ะมันเป็นทุกตอนนั้นนะใช่ไหมสังเกตก็ได้นะอ่ะสมมติเราไม่ตอนนี้เราปกติใช่ไหมปกติไหมมีคนที่เราไม่ชอบไหม มีใครที่เราไม่ชอบหน้าเขาเคยทําร้ายเราลองคิดถึงเขาดิคิดถึงเรื่องราวที่เขาว่าเราดิคิดถึงเรื่องราวที่เขาเคยทําร้ายเราเป็นไงบ้าง <c oughs> ถ้าคิดจริงๆนะไม่รู้ใต้คิดหรือเป่าคิดใต้ไห่อย คิดได้ไหมคิดไดไ้คิดได้เป็นไงทุกข์เหรอเป็นเมนื่อกี้ยังไม่ทุกข์นะแล้วทาไมไมึงทุกข์ทุกข์เพราะเพราะเพราเราไปคิดอ่ะกลับมาที่กลับมาได้ไหมกลับมาจากความคิดได้หรือเปล่ากลับมาได้ยังทุกข์ไหมตอนนี้น ตกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวแทนก็ไม่ทุกนักอืมเนี่ยมันก็จะเห็นนะที่จริงมันเหมือนสภาวะต่างๆนะมันมีสภาวะที่มันมันไม่เป็นอะไรมาก่อนมันเป็นสภาวะที่มันไม่ได้มันไม่เป็นอะไรทุกอย่ามันไม่ปรุงแต่งอะไรมาก่อนการปุงแต่งมันเกิดขึ้นทีหลัง แล้วก็เกิดขึ้นกิียงแค่ชั่วคราวเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งกับสภาวะเดิมแท้นะมันคนละอันกันนะเหมือนเช่นท่านเนี่ยเหมือนโต๊ะมันก็เป็นของมันอยู่แล้วนะเอาอะไรมาตั้งใช่ไหมอาจจะนัมาตั้งตัวเนี่ยกับโต๊ะตัวเนี่ยมันก็เป็นคนละอันกันอยู่แล้วจิตเดิมแท้ก็ประพันธ์สอนของใส่เป็นธรรมชาติ ติดแต่ปุบปั ก, กิเลสเขาจรเข้ามาคืออารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ตัวเขาเขาเข้ามาอยู่ช่วคราวแล้วเขาก็ไปนะให้ดูสิ่งต่างๆวกนี้นะรูปมันก็เป็นแบบนั้นความปวดความเมื่อยนะมันก็แทรกเข้าไปอยู่ในรูปแต่ความปวดความเมื่อยจริงๆมันไม่ใช่รูปจริงๆทั้งหมดนะแต่มันเป็นอาการที่มัน มันแทรกอยู่ในรูปความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันนะมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วงขณะหนึ่งในจิตใจความโกรธความโกรธ ค, ความหลงก็เหมือนกันมันเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งที่ที่มันเข้ามานะชั่วงขณะนึงที่จริงเราไม่ได้โกรธทั้งวันทั้งคืนเรานะเราไม่ได้อยากทั้งวันทั้งคืนนะ เาไม่หลงทั้งวันทั้งคืนหรอนะนะมันหลงไปเพียงแค่บางคังชั่วขณะหนึ่งนะแต่ที่อาจจะนานหน่อยอาจจะบ่อยหน่อยนะโกรเองก็เหมือนกันนะบางวันก็แทบไม่ค่อยโกรเลยบางวันก็โกรธเยอะใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมแล้วแต่เหตุปัจจัยเข้ามากระทบกรนะทบแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเราก็ไปปรุงแต่งกับมันมากน้อยเท่าไหร่นะมันเป็นเหตุเป็นปันจจัยแบบนะั้น แต่จริงแม้แต่มันมีเหตุเป็นแรงแลกระทบมันก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาอยา่างสมมุติถ้าเราไม่พอใจใครสักคนนะนะเรารู้สึกไหมเช่นพอเราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยเพิ่หน่อยนะถ้ามันอร่อยจริงก็เราชอบใจจริงนะมันก็จะจุดกับความโกรธไปสักขักนั้นนะ <S <S 1> <S 1> ไปชอบใจเอนะไปชอบใจสังเกตไหมเวลาเราเบื่อ เราไปหาอะไรที่มันชอ บ, ชอบทำแบบมันก็จะคลายความเบื่อไปนี่โดยธรรมชาติคือจิตมันไม่ใช่จะอยู่ที่เดิมเราสามารถเปลี่ยนนะพาจิตไปอยู่ในที่อื่นได้แต่ครนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมเนาะถ้ามันจะมีวิธีดีกว่านั้นแทนที่ถ้าเราต้องไปหาอย่างอื่นทําหรือหาอย่างอื่นเปลี่ยนในการที่จริงมันเหมือน เปลี่ยนจากกิเลสแบบหนึง่นงไปหากิเลสแบบหนึง่งโกรธไปหาอะไรอร่อยๆกินนะ่ะมันก็เหมือนละจากความโกรธไปหาราคะแบบหนึ่งแบบนั้นเะบื่อเบ่อบอ่ะนันก็เป็นกิเลสแบบหนึง่งไปหาอะไรสนุกสนุกทามนันก็เป็นกิเลสแบบหนึง่งบางคนเครียด่ก็ไปกินเหล้าก็ละจากกิเลสแบบหนึ่งไปไปทับกิเลสแบบนึง มันก็เหมือนเหมือนเราเหมือนเราอยากจะอาบน้ํานำแต่เราก็ไม่รู้จักว่าน้ําสะอาดมันคืออะไรก็ไปหาน้ําหวานมาอาบบ้างไปหาน้ํำหอมมาอาบบ้างนะมันก็ดูดีกว่าเก่าสักหน่อยแต่ก็ไม่จะสะอา ด, ดจริงๆริงนะใช่ไห ม, มนี่สิแต่ถ้าวิธีที่เราจะฝึกนะถ้าจะทําให้มันดีขึ้นก็อย่างงี้แหละนะ ต้องกลับมาหาสิ่ที่เป็ธรรมดาเนี่ยนะกายเนี่ยเนะีกายที่เราเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะะต้องกลับมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวธรรมท า, านเะนี่ยจะทำให้เหมือนพากลับมาที่ตรงนี้นะพากลับมาที่กายแต่ให้แบบรู้เฉยๆนะอย่าไปแบบอย่าเอาใจไปอยู่ในกายคพีงแค่รู้สึก มันรู้สึกเหมือนแต่ๆจิตมันแต่ๆ แ, แ, แ, แล้วเนะี่ยไม่ใช่เอาไว้จิตอยู่ข้างในแล้วก็ให้มันกายเข้าไปจัดไว้แบบนี้นะรู้สึกเฉยๆอย่างนั่งเนี่ยก็แค่รู้สึกรู้สึกขณะที่นั่งเดินก็แค่รู้สึกแต่บางทีในการเคลื่อนไหวในแต่ละบทมันก็จะมีความชัดใน กาวยวิวัฒน์บางอย่างแ ต, ตกต่างกันบ้างอันนี้เป็นธรรมดานะอไม่เป็นไรแต่ดี๋ยวว่าเราอย่าไปจ้องอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้รู้สึกตัวแบบ ร, มรวมๆเช่นเรานั่งเคลื่อนไหวมือเนะ้วก็อย่าไปจ้องอยู่ที่มือนะรู้สึกตัวแบบ ร, มรวมๆแล้วก็ดูดูร่างกายก็เคลื่อนไหวไป ไม่ต้องพูดประมือก็ได้นะแต่ถ้าเราหยุดคิดมันก็เป็นมือแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็เป็นเหมือนมันจะรู้สึกเออมันแค่รู้สึกไหวๆก็พอรู้สึกกระทบกๆแบบนั้นนะนะรู้สึกเป็นรู้สึกการเคลื่อนรู้สึกการกระทบรู้สึกการจุดไปนะไม่ต้องไปพูดต า, ามว่ามันเป็นผ้าอะไรนะเราก็รู้สึกแบบนี้ไปนะอืม อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี้คือรู้สึกที่กายเรากลับมารู้สึกตวเนี้บ่อยๆมันจะเป็นการพาจิตพาใจกลับมากลับมาหาความเป็นปนกนตินะแล้วก็บางครั้งมันจะมีความคิดแทรกเราก็เพียงแค่รู้รู้ว่าจิตเขาคิดเอาง่ายๆนะฝึกสองอย่าง คือคือรู้กายเคลื่อนไหวนะให้เป็นเหมือนเป็นเหมือนงานหลักไวนะ้ส่วนอันที่สองคือจิตมันเผลอไปนะเผลอเป็นคิดเหมือนได้นนะเพียแค่รู้ทันรู้ทันจิตที่มันเผลอไปคิดไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามนะแค่รู้ว่าจิตเขาเผลอไปคิดอั น, นั้นก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันนะนะมีสตนะิแต่การ รู้ว่าจิตมันเกิดไปคิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่ามันคิดอะไรนะรู้ว่าจิตมันคิดอะไรเนี่ยคนทั่วไปหรือสัตวทั่วไปเขาก็รู้แต่รู้ว่าจิตมันไปคิดไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่คิดนะถ้าเราไปรู้เรื่องที่คิดอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนเหมือนเราฝันนะเราฝันแล้วเราก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความฝันเราฝัน วิ่งหนีอะไรต่างๆเราฝันได้ทําอะไรต่างๆซึ่งตัวจริงๆคือมันนอนอยู่อะใช่ไหมคือนั่นจิตมันไปอยู่กับความคิดภูมิแตกนั่นคือเรื่องที่คิดไม่ใช่นะแต่เห็นว่าจิตมันคิดมันต่างกันหรือจริงก็เหมือนเราฝันปุ๊บพอเราเห็นนั่พอมันมีสติเห็นนัางกายมันนอนอยู่เมื่อกี้จิตมันคิดมันเปฝันนิว่านะ มันจะดูดจากความฝันนะมันจะไม่ฝันต่อกลางวันก็เหมือนกันการวันที่เราฝันก็คือปรุงแต่งประเด็นไปกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆให้เรารู้ทันแบบนี้บ่อยๆนะกายเคลื่อนไหวก็รู้ตัวไปใจมันไหวไปมันคิดไปก็ให้เรารู้ตัวไปนะแค่ฝึกแค่นี้นะไม่ห้ามมันแต่ให้รู้ทันมัน รู้ให้มันบ่อยๆเท่าที่ทำได้ครับแล้วก็รู้ด้วยใจที่มันเป็นการกับสภาวะคือว่ามันจะมีบางทีเราจะรู้แบบมันไม่ใช่รู้แบบจริงๆไม่ใช่เป็นกางบางทีไอ้เรื่องนี้ชอบไอ้เรื่องนี้ไม่ชอบถ้าสุขชอบถ้าทุกข์ไม่ชอบถ้าคิดดีชอบคิดไม่ดีไม่ชอบอะนะนะมันจะมี ลึกๆละ ก, กิเลสมันจะมีมันจะมีความรู้มันจะมีการตัดสินมันจะมีการให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เอาไม่เอานะีที่จริงถ้ามันเกิดความคิดแบบนี้ตามมาหรือความรู้สึกแบบนี้ตามมาให้เรารู้ทันมันด้วยรูนะ้ทันมันเช่นคิดดีขึ้นมาปุ๊บจิตใจเกิดวความพอใจนะให้รู้ทันความพอใจคิดไม่ดีปุ๊บ จิตใจไม่ชอบเลยนะเกิด ค, ความไม่พอใจก็ให้รู้ทันใจที่ไม่พอใจด้วนยะ น, นี่คือรู้จิต น, ะจต น, นะจิตมันเผดเป็นคิดแล้วจิตมันเกิดเป็นไม่พอใจนะรู้ทันจิตใจของเราด้วยไม่แต่รู้ร่างกายก็เหมือนกันนะบางครั้งร่างกายมันมันปวดมันเมื่อยมันก็ส่งผลต่อใจที่เกิดความไม่ชอบก็มีนะ หรือบางทีบางคนก็เฉยก็ได้นะบางคนสาดิสหน่อยชอบอยากจะดูว่ามปวดแับนี้ชอบดูมันนก็มันก็เป็นร่างกายก็แสดงอาการไปนะแต่ความชอบความไม่ชอบมันตามมาทีหลังเราก็รู้ทันมันก็ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเราเห็นมันจริงเราจะเห็นตัวกิเลสที่มันจอดเข้ามา ช่องขนาดหนึ่งในจิตใจนะมันจะฝึกการแยกกายก็ส่วนหนึง่งใจก็ส่วนหนึ่งนะไม่แต่การเห็นกายนะกายก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายก็ส่วนหนึ่งใจก็เหมือนนั้นนะใจก็ส่วนหนึ่งนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจนะก็ส่วนหนึ่งนะมันจะแยกคล่อยๆแยกนะขัยขยะขนห้าเนี่ย ที่จริงมันแยกกันอยู่นะแต่พอเราไม่มีสติมันเหมือนรวมกันนะมันเหมือนถ้าเหมือนมือนะเหมือนคันห้ามันเหมือนนะรวมกันตลอดเวลาเนยมันก็ทําร้ายตัวเองมือแบบแบบทำไว้เกิดการปนเปื้อนในจริงถ้าเราเห็นอ๋อที่จริงมันเป็นชีวิตนี้มันก็มีคันห้ามันอยู่แยกกันเนี่แล้ว แต่พอเราไม่รู้มันก็ปีกิจเป็นตัวเป็นตนของเราตลอดเวลาเลยร่างกายของเราความรู้สึกของเราความจําได้ของเรานความคิดของเราอการรับรู้ของเรามันมันเป็นของเราหมดเลยขันที่มาแสดงมันกลายเป็นของของเราหมดเลยตัวที่มันมักจะเป็นของเราจริงๆคือตัว ร่างกายเนี่ยะมันก็เห็นยากว่าเป็นไม่ใช่ตัวเราหนึ่งในเพราตอนจะรู้สึกตั้งแต่ร่างกายเล็กเลกตั้งแต่เกิดมาเป็นจำความได้ี่ถึงตอนเนี้ยมันก็เือเหาที่มันค่อยๆพัฒนาพัฒนาสิ้นจุดหนึ่งน่ะแล้วก็ค่อยๆลงใช่ไหมร่างกายมันเป็นแบบนั้นนะมันจะรู้สึกมันเป็นร่างกายของเราที่ค่อยๆโตขึ้นแล้วค่อยๆแก่ลงนะหรือแม้แต่ ก็เร right right ียกว่าอะไรจิตใจเนาะมัน like ก็ยังรู Thirty ้สึกว่าเป็นเราอ่ะเราตอนเด็กๆเป็นแบบนี้เราก็เป็นวัยรุ่นเป็นแบบนี้เราตอนเป็นผู้ใหญ่เปนแบบนี้เราตอนนี้เป็นแบบนี้มันยังรู้สึกว่าเป็นเราที่มันมันต่อเนื่องกันไปมันยากตรงนี้ยที่มันมันจะแยกได้ว่าไอ้เราจริงมันไม่มีมันมีแต่เพียงแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทีลักขณะ นะตามการเวลาตามแต่ละขณะไปเท่นั้นพอถ้าเราแยกได้ปนะุ๊บเนี่ยความเป็นเราจะถูกถูกคล้ายๆมีมีช่องว่างนะมันจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ได้เป็นเราตลอดเวลามันเป็นเราแค่ บ, บางขณะแต่บางขณะมันไม่มีเราก็มีนะีมันจะเห็นว่าอ๋อไม่ได้เป็นเรมตลอดเวลาไม่ได้คิดตลอดเวลาไม่ได้หลงตลอดเวลา ตอนไหนที่รู้สึกตัวตอนนั้นไม่มีเราตอนไหนที่ไม่รู้สึกตัวแต่นั้นก็มีเราขึ้นแทรกเข้ามาได้อันนี้คือมันจะค่อยๆเห็นนะนเห็นอาการโดยเฉพาะตัวที่มันจะหนักคือมาว่าตัวความคิดนะเรามักจะคิดว่าความคิดมันคือเราบางทีเราก็มีความสุขเพราะว่าคิดดีก็ เป็นเราคิดดีเรามีความสุขเราเป็นคนดีมันจะไปมีนิยามขึ้นมาคิดไม่ดีก็เราแย่เราเป็นคนไม่ดีมันจะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเลยแต่ถ้าเรามีสติจะเห็นจิตมันคิดนะดีจิตมันคิดไม่ดีมันไม่ได้มาบอกว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีนะมันเป็นจิตที่มันคิดของมันเอง ถ้าเราดูแบบนี้นะคิดดีก็ก็ใช่คิดไม่ดีก็ใช่ก็ดูมาาันไปมันจะไม่เป็นสุขเป็นซุกตามนะแต่ถ้าแบบมองแบบนี้มันกลัวไหม <c oughs> <c oughs> กลัวไหมที่มันจะกลัวว่าเราจะแปลจากคนอื่นหรือเปล่าจะเป็นกลัวนะของดีนะ ของดีนะคือมาจะไม่ทำให้เราเป็นหลงไปกับมันเนาะหลงไปกับมันเพราะว่าความคิดมันห้ามไม่ได้ถ้าสิ่งใดที่เราห้ามไม่ได้ถ้าเราก็ต้องไปเป็นกับมันมันดีแล้วก็ไปดีมันไม่ดีมันก็ไปไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ถ้าเราจะต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับสิ่งที่มันห้ามไม่ได้เนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความแน่นอนเี่ย นะเราจะเป็นไปนตามเหตุตามปจนะัจจัยทั้งขั้นนอกแล้วก็ขั้นในนะถ้าชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปตามเหตุที่มันต้องกระทบจากขั้นนอกเช่นคนว่าฝนตกฟ้าร้องนั่นนี่นะมันมห้ามไม่ได้เนะเราก็ต้องเป็นสุขเปล่นทุกข์ตามมันหรือเหตุปัจจัยเราเกิดเกิดตามความคิดตามอารมณ์นะชีวิตเราก็โอ้มัน มีความไม่เที่ยงเยอะมากแต่ที่จริงเราจะฝึกอย่างไรให้จิตมันแค่เห็นว่ามันเป็นเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นแหละไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปจัดการเแค่แค่เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นมันจะแยกมันจะแยกที่อยู่ของมันเอง อาการปรุงแต่งก็อันนึงจิตที่เห็นว่าอาการปรุงแต่งนั้นก็อันนึง่งกายที่เคลื่อนไหวก็อันหนึง่งกายที่ทุกข์ก็อันหนึง่งจิตที่รู้ว่ากายมันทุกข์รู้ว่ากายเคลื่อนไหวก็อันหนึง่งนะเนี่ยค่อยๆดูไปแบบนี้นะอันนี้เรียกว่ามหาสติตประธานสูตรเ <c oughs> นี่ยโปรใสทั้งหม า, มาลงตรง น, นี้นะเนี่กายเวทนาจิตธรรมนะไม่มีอะไร คนจะเห็นตรงนี้แหละนะอนะที่พระเจ้าท่านสอนท่บอกว่ามันเป็นทางทางเอกนะเอกะมัคโควิสุทธิยานะทางสายเขตสู่ความวิสุทธิยาก็ความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นนะนะนี่คือทางสายเขตนะก็เราก็ทําตรงนี้นะอนะทางตรงนี้ มันได้ตั้งแต่เริ่มต้นทามกลางแล้วก็ถึงที่สุดนะในการปฏิบัติน ะ, อะขอบฟากไว้ยน